พัฒนาออไปเลยรพัฒนาศาสนาไปมหาพัฒนาพัฒนาด้านวัตุนิยมด้วยพัฒนาด้านอุรมณ์ขันด้วยพัฒนาจิตใจไม่ออกนี้จากความผิด ลดตำแหน่งความชั่วออกก็ให้เข้าสู่ตำแหน่งความดีด้านการคลองเครียแน่ ใ, นใจรักษาพอดีใครจะไปสอนพัฒนาให้เียนเท่าพุทธศาสนาเป็นเมื่อ เ, อเล ย, เลยด้านจิตใจเหมือนกัน เป็นวิชาร่างสมองไม่ออกจากความชั่วก็ไม่มีอันใดจะเท่าพระพุทธศาสน า, าเลยเมื่อความเห็นยอย่างนี้แล้วความเห็นก็มาเปลียนเปลี่ยนพระพุทธศาสาานาความเห็นทุกทีจะเป็นคนร้ายคนเหมกก่ยคนพักคนพวกกระจายถ้าเปลียนเปลียวพระพุทธศาสน า, าและปกระจายไม่รอด เป็นทางทุกขษีทางในพระธารมเถิดจะมีหมต้องอาราทั้ ง, งมดไตรกรกษาจะมีคมแกงแย่งพระพุทธศาสนาก ร, รณีใดก ร, รณีหนึ่งก็มื่นกงนพราะประเด็นรอบเืียกันเพราะพระพุทธศาสนาทำาห้ศาสนาแข็งศาสนา เช่นทำที่พูดรู้ธรรมธรรนจริงของธรรมกอจิบัธรรมธรรนทริงของธรรมลดพ้นจากควาชั่วของธรรมอันเป็นชั่วธรรนจริงของธรรมอันเป็นดีไม่เชอบเทียนพระพุทธศาสนาดอกพวกเราไม่ต้องสนใจไม่เปียนเกลียวพระพุทธศาสนาให้มันเสียเวลาเลยมีทหนทางเดียวที่จะเทิดที่จะติณนาคสูตเพราะงั้น นักโคดไม้โคดหมูโคดอะไรก็กในในารเชิดแล้วถ้าใครรับปรทานนักแต่พรมโลกลงวาลก็ต้องเป็นวนานขึ้นคำสอนพระพุทธศาสนาเทานั้นะถ้าพยยามถ้าพยายานั่นก็ไปไม่รอดมนุษย์โลกก็ไปไม่รอดเทวโลกก็ไปไม่รอดพรมโลกก็ไปไม่รอดที่ไปรอดอยู่เพราะเขารับ ร, รับใช้พรพุทธศาสนา ถือเอากฎของพุทธศาสนาเป็นแกนเป็นดิ่งของพุทธศาสนาไม่ต้องอ ด, ดีร่วงละก้มกายเลยจะฟ้อมกันสักอย่างไหนก็ตามกดหไม้ก็หเหมูก้นพัอกดพวกถ้าปีนเกลียวพระพุทธศาสนาเรไปไม่รอดล คิดเสีในไหนก็ตามเถิดพระพุทธศาสนาเป็นที่พื้นของโลกไม่อ ย, อย่างเต็มภูมิถ้าโลกยอมคารมและถือปฏิบัติตามทำของคารวะก็ทวันแล้วทำของคารวาดสีซัจกะสัดซื่อแก่กันธรรมะ รู้จักข่มกิจของตนกาคะสละของสิ่งของของตนเพ่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นการยานั่นก็สิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วม่เป็นประโยชน์เสียงฝ่ายพระราชาตก็ตั้งไว้แล้วคือมีเสียงห้าโดยรีบูเสียงห้าเป็นหลักกฎหมายกฎหมู่กฎทักฎกฎทั่ว ถ้าโคตรไม้โคดหมูโคตรทักกดตรพวกไม่มองดูชิ้นห้าเลยเออมันก็จับกันเป็น ก, ก๊กเป็นเหล่าเป็นอะไรต่ออะไรก๊กของปู่ปูก็ต้องให้มีชื่อเสียง ก, กง๊งงง ก, กของเมืองช่างหมูมึงมันจะ็ก๊กเป็นเหากันมันไม่ใช่เป็นธรร ม, มาธิปไตยัยซะมันเป็นอันตราธิปพตยัยซะมันเป็นพรรคพิปไตยซะธรร ม, มาธิปไตัยก็อเห็นทํามเพืนใหญ่ คนเราที่แซงกันอยู่ทุกวันนี้ก็แพร่พรแซงกันด้วยความเห็นไม่ลงกันด้วยความเห็นเมื่อไม่ลงกันด้วยความเห็นความประพฤติก็ไม่ลงกันถ้าของใครของมันก็ต้องหวังเอาชนะกันพระพุทธศาสนาเนี่ยทักเดียวเท่านั้นแหะถ้าไม่ถูกใครก็ต้องมีกิสระที่จะคัดค้านได้ผู้น่า ก, ก็ตามเู้ืหญ่ก็ตาม ถ้าถูกใ ค, ใครก็มีอิทธิพลหรือมีอิสระที่จะอนุโมทนาได้ยกกาษาหอนยาเหมือนบรรทัดที่ขีดและถึงมาตึงใช่ไหมเขาเรืยหม่าปตามบรรทัดเมื่อมันถูกตามบรรทัด ก็มีสิทิ์ที่จะบอกว่าถูกตามบรรทัศนได้เมื่อมันไม่ถูกจะว่าถูกยังไงฉันในกรณีคําสอนของผู้เทศานาวางลงแล้วที่สอนโอกอย่างเต็มภูมิแล้วสอนฆรวาสอย่างเต็มภูมแล้วเมื่อฆรวาสทําไม่ถูกจะไปว่าถูกตอนนี้ไม่ถูกก็ต้องว่าตอนนี้ไม่ถูกตอนนี้ถูกก็ต้องว่าตอนนี้ถูกถ้ามาอย่างนั้นแล้วก็ลําเอียงลำเอียงเยงพราะความรักใครกันอย่างฉันทากติ รักหมูรักพวกจะผิดสักเพียงไหนก็อุ้มกันไว้ร้บ ล, ลำเอียงเพราะความไม่ชอบกันเรียโทษาสติน่ถ้าเรายังเกลียดมันมันจะทำดีสักเพียงไหนเราก็มาให้คะแนนมันน้ําน้ําเอียงเพราะกลัวเรียพญาสติถ้าเจ้าปากกเกงอํานาจวาดนะเขาแล้วก็เกงที่มืดเขา mm. เกงเขาจะเอาดูงกระสุนมืดมาใส่ mm. ก็ําเอียงเพราะกลัวเรยกพญาคติไงนะ แล้วยังพ่อเขาทีนี่พ่อพิจรารณาคดีอะ น, นั่นมาแจกเนื่อเรื่องอะไรมาแจกพ่อโม่พ่อเขาเขาเรียกโมหาคติแล้วคติสีประการนี้ในคนวาระพุตินี้พระบรมชาสดานี่นรักทรรคนเราล้างุพ ท, ทุกท่านทุกทุกคนแล้วเมื่อทาให้สุกมันจะเอาสูกมาจากประตูไห น, น ใครก็ไม่ชอบทุกอย่นกหนูปูปีกก็ไม่ชอบสัตว์ทั้งหรายก็ไม่ชอบนกเวลาเราไปมันบินหนีมันบินหนีทำไมมันไม่ไว้ใจเ่ามันรักชีวิตมันกบเหมือนกันมันอยู่ที่ทุงนาหรือตามไม่จาหรอไปมันกระโดดตูมลงน้ำเลยมันทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นมันรักชีวิตมันมันไม่ไว้ใจเมื่อเรารักชีวิตของตน เมารักชีวิตของตัวอย่างไรก็ต้องรักชีวิตของท่านผู้อื่นอย่างนั้นนักพระพุทธศาสนาเมื่อรักทรัพย์สินของตัวอย่างไรก็ต้องรักสินรักรักทรัพย์สินของท่านผู้อื่นอย่างนั้นเมื่อรักลูกรักเมียของคนรักคงสามัคคีของโตตนอย่างไงเขต้องรักของคนอื่นอย่างนั้นต้องเคารพสืบกรรมเราชอบแต่ความจริงท่านผู้อื่นก็ชอบแต่ความจริงไม่ชอบความเสียเท็จ ถึงเรืไหนที่เปลี่นเคี่ยวพระพุทธศาสนาก็ไม่รอดพระก็เหมือนกันเจ้าหน้าก็เหมือนกันตลอดถึงคนละลพคละเรือนที่ปกครองกันพ่อบ้านแม่บ้านก็เหมือนกันหรือะหว่างมิตรกับมิตรก็เหมือนกันระหว่างมิตรกับมิตรถ้าเราไม่ศาสทธาสอนมิตรแค่สี่จำพวกมิตรื่ออุการะมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์มิตรน่ประโยชน์มิตรมีความรักใคร่ มิตร่จำพวกนี้เป็นมิแค่ท่คนก็ามิตรมีอภาระม่ลักษณะสี่ต้องกันเพื่อนผู้สมบัติแล้วตัว เ, เธอทําอย่างนั้นมันชีพขายเนอะเธ อ, อย่าไปทําอีกนักษาทัพสมบัติของเพื่อนผู้สมบัติแล้วเมื่อไม่ใครเอาเป็นรปสิ้นพานักได้เ <c oughs> มื่อไม่ธุระช่วยออกทรัพย์ให้เกินกว่าที่ออกปากหมอฝากว่าจะช่วยเพื่อนร้อยบาท เ่าไรสักสอง้อยก็มีสามร้ก็มีหรือพันก็มีหรือหมืนก็มีมิตรรองสูขร่วมทุกมีลักษณะสี่ขยายความลับของตนแก่เพื่อนปิดความลับของเพื่อนมาให้เพื่อพายไม่ละทิ้งในยามวิบัติแม้ชีวิตประอาสระแทนได้มีสี่ข้อนิดรมิตแนะประโยชน์มีลักษณะสี่ห้าแม้กระทําความชั่ว ให้ตั้งอยู่ในคนดีอนุคราะด้วยน่ำใจอันงานบอกทางสอ น, นให้ไม่ดเชี่ยชมพวกนี้เป็นเม็ดแท้คนคตบเนอเอาพองค์กระสาทร้ินมดไม่มีชื่อสงเม็ดประทจูปคือคนที่เ ม, ม็ดเชี่ยชมพวกกับคนคตบเนอหนึ่งคนปอลอกรอบสองคนดีแต่พูดดีแต่วายจารสามคนหัวประจบ มีคนขับตัวในทางชิบหายมิตรสี่จำพวกนี้ไม่ใช่มิตรเป็นแต่คนเทียมมิตรในคนควบเนืมิตรหนึ่งคนปลอกลอกเมลักษณะสี่หนึ่งคิดเอาจะได้ฝ่ายเดียวคิดเอาของเพื่อนจะได้ฝ่ายเดียวสองเสียให้เพื่อนน้อยก็คิดเอาของเพื่อนมากสามเมื่อมีไฟแฉกตนจึงรับทํากิจระช่วยเพื่อนช่วยจะขอ้าสตางค์นั่น สครบเพื่อนก็เห็นแตประโยชน์ของตัวสองคอนหัวประจบไม่รักกณะสี่หนึ่งจะทำดีก็ค่อยตามสองจะทำชั่วก็ค่อยตามสามต่อหน้าว่าต่อหน้าสริญสี่รับหลังตั้งเดินทางเพอเห็นประสบกันได้ไหม ไม่เคยรู้คนทำนี่นคนฟองคนฟอราเพรคนดีแต่พูดคนดีแต่พูดเจ็บเอาของรองแล้วมาปาใส่เพื่อนเพื่อนให้เงินแล้วก็ บ, บาบ้าง <S 1> <S 1> เออแต่ก่อนมีอยู่เพื่อนเอ้ยเดือนยังมไม่มีแค่ <S 1> <S 1> สองเอาเอาของที่เอามามมาปาใสเออเพื่อนเือนเงินเดือ น, น, น, นออกตะก่อนยังเอา <S <S นะสามส ง, งเคาะห์อะไรสิครับประโยชน์ไม่ได้เอาสิ่งที่ชั่ชวๆมามาให้พเพื่อนเวลาเอาของเพื่อนะหาเอา ของดีๆสีออกปากเพิ่งไม่ได้คนชักชวนในทางชีวายมีลักษณะสีเพื่อนคนเทีมิดหนึ่งสักชวนดื่มหน้าเมาหน้าเมาอยู่ที่นั้นดีสุดแท้เพื่อนมาใหม่ๆไปชักช ว, วนเที่ยวกลางคืนถ้าไปอะไรต่ออะไรสารพอดกลางคืนไม่มีประโยชน์สักชวนให้เ ม, เมาในการเล่น ท่ตีก๊อบเป็นต้นจัดเข้าในการพนันเนาะตีกออ๊อฟชิบหายชักชวนเล่นการพนันเม่สีจจำพวกนี้เป็นแต่คนเชี่ยมิตรไม่นคนครบเนาะมิตทางชิบหายที่ไหนที่พระบรมศาสน า, ามน้สอนมันมีเลย คนอื่นคนผมมากก็จะคอยเราว่าเราไม่สงสัยอะไรก็ถามกันเรื่อยๆสักก็มาไกลมานชือเอาเดือเอาหาครับนรุงกรุงงเทพไม่มขี่คนมาด้วยกัน นะเอออ้าวถ้าขายให้ถ้าขายมารุดถ้าขายสับเป็นอะไรเวี่ยสาิที่จคข้าวเป็นอาหารถ้าขายนำเมาทุกชนิดถ้าขายยาพิษทุกชนิดยาพิษที่เอาไปพ่นใส่พักใส่อะไรก็จะไปขายเนอะสไตายเป็นหมื่นเหมือนเส้นแขงเนจะอยากให้เขาลวงไป ป, ประเทศญี่ปุ่นเนอะถ้าให้เขาลองประเทศญี่ปุ่นกระโดดหน้าตาตายล้วมันมันทุกข์แล้วนี้เขากําลังจะแผ่ยนะุติญี่คนเนอะแล้ประเทศอื่นๆแล้วกำลังจะแผ่ยุติี่ปุ่นละ่ะตอง ไม่ใช่ปฏิบัติอะไรปฏิบัติเคนทุกข์ก็รู้กัน mm. ขอ ง, งนอกๆกันทำไมถึงไม่รู้แต่ก็ควระวังขายสีเดให้เขาหมดทมมีที่อยู่เนอะไม่มีที่อยู่เนะถ้ามาอยู่ในวมานอากาศเนะ่ยถ้าทำวิมานอากาศเป็นในเกณฑ์จะขายทีเดียให้ประเทศอื่นถ้าอยู่ไมนเป็นหย่าไปขายให้เขา คอยอยู่นานไหมสามสิบโมงนะคอยอยู่นย่งที่สองเป็นห้อใจที่งมีบันเพลห้อใจว่ามีพระคุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นห้อใจบ่มีเบสเป็นห้วใจบ่า ม, มีบันเพลเป็นไม่ร้อยนา้าเป็นนุนผิวไปตามร่ม เป็นเพื่อนว่ามีคือมีแปลเป็นคิดเป็นใจว่ามีสถานี่มุ้มิ้งผูกปอบนคุ้มควมเนข้นกับเป็นค้นเปลือยกายาม้วนลงเสือลงผาน้ำเพลินเพราะว่ามีทีเพลิงมุ้มิพีเม่อนอมุมิ้ผู้บาอาจารย์ ด้วยความว่าไม่เข็ดหน้าอกกายสบายชีวิตต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกเมืองเรื่องไร่เรื่องไร่ก็ดีจับตาสอบข่าวโซ่คนิพภานคนจากโซนในวัดตาช่องสารโดยด่วนจับข้พระสงฆ์ของตอนอยู่ทุกเมือบ่มีประมาณกี่ข่ า, ขาเอื่อนเลื่องไร่เรื่กงไร่ก็ดีเพระสึ่งสื่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นศาสนาเป็นทเทพออยู่ทุกเมืองว่มีประมาณ ก็คนทุกนาวตาท่องสารโดยดวนอยู่ทุกวันวิ่ีประมาณขางขาดเดื้อนในเรื่องใดบนเรื่องใดก็ดีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพุ่มสมบัติไม่เท่าไหนผู้ขาดที่ทุ่นถวายสกปรรกายว่าใจไกลตลอดถึงความใพภานสมบัติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพุ่มสมบัติในภานสมบัติทุ่นถวายโบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกวันวิ่ีประมาณก็คนทุกนาวตาท่องสาร ยุกเมืองบัมคับประมาณ่าขาเถิดและเรื่องใดเรื่องใดกดีถ้าคนรกายของข้าวพระเจ้าถ้าคนน่าใจถ้าคนนะว่าจจิทุนถวายไม่เป็นลมโอลมปวดพระพุทธพระธรรมระสง์ทยธ์ืองอยพระพุทธพระธรรมประสง์ขี่รถเนียวรถเหยียบยาทรมลายข้านโมกใทยโยธุ์งบ่งคประมาณตามเจ้าเถิดขอทูงพระนิพพานผลจากทุกนิมิตทุกสาลตามความประสงค์ของตนโยธุ์เมืองบังคับประมาณขอขาเถิน ท่านสงฆ์พระธรรมประสงค์ฝันนั่นแล้วแผ่นดินหนะ้าสองแสนสีน่หมืนโยชน์เขาเอารูกระเบิดปรมาณานู่นทำร้ายเต็บอันนี้ว่าละไสิยตายกษัตริ ย, ย์เจ้าพ้าเป็นคำบอออกจากคุณพระธรรมประสงค์เป็นทางเจริญไม่เป็นทางเสื่อมเป็นคิดที่ไม่คือไม่แปรเป็นสติปัญญาอันยังเถืง ว่คนนพ่อเนีได้ตัว๋วนักแนนที่สุดอันนี้ว่าในสุตติตาติอ่ะถึงิมมาพพระธรรมประสงค์ดทุกเงาบ้องเงีประมาณนะเรื่องใดเร่องใดก็ดีเลือดทุกฤติกัสิบูชาพระพุทธธรรมประสงค์ยังทงมาบงงาาีประมาณนะนันมนันสมบัติไ้นใจโรคทาตุนะทุนทวายบูช า, าพระพุทธธรรมประสงค์วัดมัเป็นน้าลายคน ไม่น่อยไม่มากไม่นำรายเพลินแ น, น่ใโลกธาตุน่ยเมืเพลินท่มถิ่มแล้วพระพุทธเจ้าพระแท่ทั้งแท่สองแท่คือพระนปานคือพระละหันพระละหันดิบคือพระละหันพระทัตตายพระละหันสุบคือพระหันตายแล้วองอยมยากไม่ขรรานน่าู้พระเนปาสพระพลนค่ายถิ่มแล้วแ น, น่ใโลกธาตุงูห้องมาเลมารี่ะของเพลินวัตถุสมัติ มัทธรนยมอุดมคติเข้ากสิมหาปฏิบัติไปตามเพลนการเข้าว่าอะไรลึกถึงพระคุณพระธรรมพระสงฆ์ว่าะลึกถึงศีลหาศีลแปดกับบ่าวาดอกได้ศีลหากับพ่อแล้วคราวาส สินหาเป็ น, นสินพระซอดาวันสินหาบริบูรณ์สินแปดบริบูรณ์เป็นสินพระหน้าข้ามิแต่ว่าสินหาก็สามารถปฏิบัติถึงพระรหันต์ใดขึ้นกันสินแปดก็สามารถปฏิบัติถึงพระรหันต์ใดขึ้ น, นกันนทางับคาราวะเป็นอะไอย่างจะพระเจนส่วนพระแต่มันไม่มีสินสองลอยอยู่ที่เกศแตห้มันบริบูรณ์ว่าให้มัน ดาวันพ่อยกัจังสีสามารถถึงพระหันได้แต่สองสองรยย่สิบเก้โจนะมันก็บว่าย่างครบนั่นหรอกเพราะเสีขบดที่เกี่ยวะับหน้าฟิสซูนี่มมีจะเอามาเขารถไปทีเดวอโอวาทวักเสีข้าบทที่สามเอเมอมมีโอวาทวักที่สามมีชิบเสีข้าบด ที่เกี่ยวความอาภัชนี้บ่มีความอาภรนี้บ่ ม, บมีเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก็เลยตัดออกอี้แต่ว่าหมามกขาตัดออกเอามาสวดวยไม่10ียขอนอวาทักที่สามไม่เสข้าบดหนึ่งภิกษุที่สงไมาได้สมมติสั่งสอนนาพภกษีก็พไปยติสองภิกษุสงที่สงฆ์สมมติแล้ว ตั้งแต่ที่ตกแล้วไปสอนนาวิสุนีสบายจิตีสามิสมุเข้าไปสอนนาวิสุนีตั้งแต่ที่อยู่สบายจิตีไม่ไม่แต่นาวิสุนีเจ็บตลอดจนข้อศิษยพิสุนั่งก็ดีนอนก็ดีในที่รับ2องต่อสองนาวิสุนีก็ไม่อยู่อันหนึ่งอีกซึ่งครับวัดปฏิเสธที่เกีย่ยวกับนาวิสนีกับ่าก็บ่าใปฏิบัต เขาเหตุแล้วหน้าี่พอมีเน่ยลูกาศก์ลูกบาศก์กาพิชซี่สมาเนเน่สิทําให้ศาสนาเสื่อมสิทําให้ศาสนาเจริญกัดพวกนี้ส่วนศาสนานี่ยมันไม่ทั้งเสื่อมมัไม่ทั้งเจริญเป็นของจริงอยู่พระพุทธเจ้าองค์ใดๆมากามาเป็นศาสนาอันเดียวกันนี่ข้าสอนอันเดียวกันข้อเหลือ่อมสายในพระข้ดม ก็ถ้าก้าเหลี่ยมสายนะพระพุทธเจ้าทั้งหลายอันนี้กาถาตะโกดายโยบพระพุทธเจ้ามากกวาดรอยโกดศิ่าเอกมากกวาดรโกดร่วงปลายเอวมากกวาดรอยโกดกลัปกันกันกันอาสงไขอาสงไขกลัปศิมาทั้งนาก็ดีหรือร่วงปลายวก็ดีก็เป็นท่ามคาสอนอันเดียวกันแล้วเหลี่ยมสายในศาสนาอันึงก็ถ้าก้าวเหลี่ยมสายในศาสนามัดทุกๆพระองค์เพราเป็นท่าอันเดียวกันไม่ได้แก้ไขเมื่อเป็นคนละพ่อละบ่ บ่อได้อบล่างกันเลยบ่บอได้ีอดเดนต่อันมว่ว่าบรรยัติเต็ม บ, บ่อแล้วสัทั้งสัพยัญชนะเกวร่รบปริผนางปริสุทธงภพพระเจ้าทียังประกาศเสิเมื่อได้บุญทั้งอั ท, ทั้งพยัญชนะเมื่อได์แล้วพระพุทธเจ้าองค์นก็คทอกันสิหานาธนาธเเิเตเป็นผู้เป็นสิหานาตต่อพุทธบริษัทพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เป็นถ้ำอันเดียวกันเมื่อเป็นังสั่นเท้าก็บ่าไม่ไม่หนาที่จะไปสงสัยกัมสรพระพุทธเจ้าเลยรองการงานทุกทิ้งทุกอย่างการเท้าถ้ำปีนเกี่ยวพระพุทธศาสนากระไปตรอดการคบมิตกับปีนเกลียวพระพุทธศาสนากระไปตลอดการทํามาหาอย่างชีวิตปีนเกลียวพระพุทธศาสนากระไปตลอด เะบายยมุกสุประเภทพระพุทธเจ้าองคได้มากขสร้างหามมัดมาเป็นทั้งชีบหายดีทั้งเดียวเหตุมันชีบหายเสียห้มันจะเลื่อนบอมีเหตุไหนไม่ทั่งจะเจริอสิเปปล่อยเวนเสนแฉกมันชีพหายก็บบอมีก็เปลี่ยนไปบ่อยเหตุทั้งหลายมันชีพหายสิปรัยยะแล้วมันเลื่ญนมันกรบเพเปลี่ยนไปน้ำเข้าเพราะมันมันยัดผิดไม่ว่าพระพุทธเจ้าจำพวกเดียวถ้าทำบัญัตถูก นอกนั้ น, นบรรยัญญติเข่าของตัวบ้าพักพวกของตัวบ้าเนื้ควบน้ำเอียงบ้านําเอีงพราะความรักใคร่กันเรียกชั้นทาคตินําเอีงพความไม่ชอบกันเรียกโทสาคติน้ำเอียงเพราะเขาเพราะไม่รู้เท่าถึงการก็เรียกโมหคตินําเอีงเพราะครัวอํานาจวาสนาก็เรียกพยาคติคํามช้อนพระเจ้าว่าได้มีเลย เป็นธรรมาที่พัดใจ่เป็นโลกาที่พัดใจก็ได้เห็นเพียนเพียนวัดก็ได้เห็นถือก็ถือวัดว่าได้อย่างเขาสันวันนะเมื่อเห็นแก่ผักแก่ผวกผู้ใดคือไฟอ่ะนะผูได้ไปกลับก็บหอนวัดเ่เห็นแก่ผักแก่ผวกแก่สันวันนะน้ำที่เย็นเย็นผู้ได้ไปดื่มเกี่ยนวัดเม่เห็นแก่ผักแก่ผวกแก่สันวัตนะ สิใดคำสอนดีมานจะใช้มาสอนโลกก็คําสอนของพระเจ้าของข้าวันนั่นแหละยุบใดๆก็ซาพระสีมาแสดงป่าติหารนาเกลงก็พุทธพระธรรมพระสงค์ทุกเรื่องอะไรก็ตามถวบเสื้อห้าวเนี่ยท่านน่ะคําสอนใดๆเป็นวางขึ้นคําสอนของพรธศาสนาหมดเน้ำพ่อยน้องความเมืองบางต่างอะไรตรงสูงมหาสมุทรทะเลโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคําสอนใด อะไรตรงๆคำสอนในพุทธศาสนาโดยมรูมมมมูดัวชันนั่งเฉียบคิดเฉมีตัางล่านตะโกตื่อเตี้ยวะเลอติโอกรตามกระซี่ไปทางที่เหนือมัดคําสอนดในดๆแน่าจโลกธาตุก็คือกันก็เป็นเรื่องขืนคำสอนในพุทธศาสนามัดคนรอดมดแล้วถ้าเมโรกปาลของถ้าเมโรกาบาลคุ้มครองโลกสองอย่างความาอาตาบาบความกุลาตาบาบเท่านั้นจะคุ้มครองลงได้ ข้าไม่ม้าไม่มียังอายต่อบาดไม่มีความกวนต่อบาดแล้วก้หมายก้หมูก้อนพักก้พวก ก, พวก็ตั้งไม่อยู่อูข้องธรรมไม่นําคํานึงก็หมดที่พึ่งพียงยิงอาศัยทำความพิวดในที่แก้งว่าอะไรก็ไปทำในที่หลับหลับแก่นคําสอนของพระเจ้า ยอดคําสอนพระพุทธเจ้าก็ยังมียุไลแนวเยอะกรรมในข้อนของกรรมให้ผลแก่ บ, บุ้คลที่ทําดีทําชัว่วทําดีแล้่ว่าปารถนาก็ได้บุญทํำชั่วแล้ร ว, ว่าปารถนาก็ได้บาปตามส่ว น, นค้อนคาของเหตุที่ทำหน่อยละมา้งรับตาเขาว่าปารถนามืดมันกระไรมืดมืดตาเขาว่าปารธนาเห็นหงมันเห็นหงเวียนไหวแต่มืดเวีนไหวถึง แ, แต่มืดมันมันมืด เหตุนางผลกันนางเหตุฟั่งผลก็ฟั่งเหตุเข้าใจผลก็เข้าใจเหตุว่เข้าใจผลก็ว่เข้าใจน่เหตุก็ผลวิโยหังกันวอกาวเหตุกระจัดเข่าในมักมักแล้วขอปฏิบัติผลกับแล้วผลความเหตดผลความมากผลควาพืชพวกที่จ้าเสื่อลงไปเทไรก็ตาม ผลของกรรมที่เขาทำดีทำชั่วก็ให้ผลน้องเขาอยู่กในนิสสันพรพุทธศาสนาจึงมาได้ร่วงไปไา้ที่สมมติว่าร่วงไปลายเนี่ยเขาไม่คว้ามาตามยุคตามข้าวของผูบาฏิบัติจะซื้อทำชิแทกับเออคว้านเป็นจริงเป็นคำสอนอันเดียวกันเอสะธรรมโอสนันโนูพระพุทธเจ้าองค์ไหมาตรัสลูกก็มาสแสดงถ้ามาจากกัปวตตนสูตรก่อน ยกชาติพิทัาส์ราพิทักษ์มานลนพิทักษ์ขึ้นชาติพิทักษ์ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความไม่ย่อคัดพากเป็นทุกข์ปาจฉนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์พัดภาคจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์มาเทศอนันต์มัตต์มาเทศอนั้นต์กับมาเทศ จึ่งที่มาึงที่มาควนรวงละเมิดคือกรมาร่มอย่าไปส่งเสริมกรรมาร่มล่ลายนะอย่าไปส่งเสริมโทษสาล่มลายนะกรรมเอุการมาสุคัญยะกาโยโ ก, โกทุกโคนนาเนยอนัทจันนิโตเบเตเตพิ เ, บเบบโกโยโกเตนุขปะอนุปขามามิติมาปฏิปทาต้อไปห า, าน่ปบอกคนหน้งอัตชังฮิกโกมะโค สมมาทิฏฐิสมาสัคโปวยายากรมันตวอาชีวายโมุสติสมาธิอันนี้เป็นไฟสิบตัวศีลสมาทิปัญญาร่วมกันยหันเกี่ยวว่าใจซืขาใจแปลว่าสามซขาแปลว่ากินความกว้างก็ซื้อข้ า, ขาบดซืกอขา้ขาวบดหมายเอาข้าวบดหนึ่งหนึ่งยุปาณาิบาตาเวรมณีสิข้ข้าวประทางสมาธิยามิมีเป็นบดหนึ่งหนึ่งอาทิ่นาของมันอาทินหน้าของมันการกาไม่ใช่ของมันกามุสาของมันกัน ที่นี่ผู้คนผมมีเส้นหามเดิบุลไม่เชื่อด้ยากรลวงแล้วเมือดเส้นหาขันเชื่อได้อยากหลวงแล้วเมิอ ด, ด้วยนะมั น, ม น, โ, นโมแมนบมมนซูเปรจิปานโน่รปมาณคือทอนน้ำลายม่อดออกจากปากเราบ้วนน้าลายออกจากปากเรมเชื่อได้เอาขึ้นมากินเลยถ้าเชไดอยากรลวงแล้วเมอ ด, ด้วยนยะังโมแมนซูปอิปนโน ขันเชียด้ยยากเรียเลรนผาอยู่กับบุญมุเมีนสุเจโนขันเชียอไดอยากถือศาตราอื่นอยู่กับบุเมีนสุปเปอร์จปโนคขันเชียด้ยากถือเลือดีงามดีอยู่กับบุแมีนสูปเปอจโนขันเสือได้อยากสาบแชงปล่อยเว่นเส้นแชงหาินจักกินปอดกินใสกินพุ่งมึงมาเฮ็กูยังท่นไหนมึงตายให้มึงคิดผายไหวอดนึกในใจยัง่นใครกับยังบุเมีนจปโนสูปเปอโนไม่ได้ปล่อยเว่นเส้นแชไป อาคาดจองเวีผูกไกลเก็บบ่มีเนีนะเพื่อนขอให้มึงคิดหายตายความก็มาไม่เหนะเพื่นส่วนเช่นหามันบริบูรณ์แล้วป่านะอาทิตหน้ า, า, นนากามมุสาสุราประต้องไรกรส็สร้างเพราะมันบริบูลลบรณ์แล้วพ่ะเชิดายจะร้องระเบิดอันนั้นบริบูรณ์แล้วแล้วพออยากเสชิดายอยากถือศาสน า, าอื่นอันนี้ซัดตัวเทศไปถือศาสนาอื่นชัชชาพิฐานานี้ อาภัพโบกาตุงนิรำเปิดสั้งเทรัตนังปนิทางเอเรนัสัจเจนะสวัสดีโอตุเป็นสูตรของพระสวสดาวันอยู่ในรัตนสูตรพระโวสดาวันมาสามารถอยากพื้ศาสตราอื่นอภิษฐานโทษอย่างหนักขบมาตัวค่าข่ามานาปิตุฆ่าค่าเบิดาอรหัตตฆ่าค่าพลาหัน โลหิตบาตรทำลายพระพุทธเจ้าถึงย่างพระโลห็นในห้อขึ้นไปสังฆเพศยังสองหัตถ์แตก ก, กันอันยัชชะตุเทศถือศาสตราอื่นไม่มีในพระสวดารันไม่ใช่ได้อยากจะถือศาสตราอื่นเรียกว่าอาภิฐานโทษอย่างหนักหกเราเคยในยันตนต่างจักอันนั้นตรีกรรมหา้าอันนั้นตรยกรรมหกกับมิถือศาสตราอื่นอันนั้นตรยกรรมหก เบ้าสามารถจะได้มาค้นผนี่พานในปัจจุบันนาศาสตร์พ้นาแตพ่อเป็นนิสกับพ่อใดอยู่ที่นี่คนทั้งหลายพวกคจักสังฆเพศสังฆเพศยังสงกระแตแกกกันหม้ข้ามมาสงอยู่ในสีมาอันเดียวกันลงโอบโบสดนำกันอยู่แล้วํำแต่ให้แตกเป็นสองฝ่าย ไและสององค์แต่กันเข้ากันื่อไรล้วก็ได้แตกกันนีหนีนี่เดี๋ยวว่าสังฆเภศสิบพิสุภาภิเษ์เพื่อจะทำลายสงฆ์แตกกันพิสุเอื่อห้าไม่ฟังสงสวดกรรมเพื่อจะให้เราค้อเที่ยวเพื่อนั้นธรรมระตงสังฆาฏิเศษชั่วเดพิสุเพื้นตามพิสุผู้ทํทลายสงนั้นพิสุเอห้าไฟังสงสดกรรมเพื่อจะให้ลคาข้อเที่ยวเพื่อนั้นธรรมะตองสังฆาฏิเศขอสิบ เป็นควาสำคัญที่สุดถึงอันนั้นจะเรียกคำหาไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาสอดเข้ามาวา่าขาราวาททำสังฆเพศได้หรือไม่ทำไม่ได้เป็นตะเพียงสังฆร า, าชี้ทำให้เราลัานกันทำอะไรนำชี้ขาวาหน้าก็ททำอะไรนำพิษุนี่ก็ททำอะไร สงสัยโยนสมานเสียงสังวัตกันจงทําไรหน้าหน้าสังวัตหน้าหน้านี่กายก็ทําอะ ไ, ไรว่ามันนี่กายเดียวกันเป็นแต่เพียงสังฆราชเชื่อทำมาคว่ำเราล้านเป็นมาอย่งก็บมาควรทําเหมือนกั น, นบาปนักคนทั้งหลายบางคนจ้างสังฆเพศสังฆเพศก็จากทำใดถึงต่เฉพาะพิชโยนัยสมานสังวัตที่มาเดียวกันต้องค่อยคอยลงอ บ, บสถด้วกันแต่เป็นสองฝ่าย ไฟละสี 6, joue, ่องค e. ์ไฟละสององค์ข네네ึ้นไปแต่ห <'d> ้ามาเดี๋ยวมาทังประเภทเดี๋ยวว่ม่เนี่ยพระสดาบันวดัน่าได้มีเลยว่าได้เหตุก่นค้าาค่าขายก็ไม่ก็มีขอบเขตพระสวดาบรมันค้าขายเครื่องประหารค่าขายมนุษย์ ค้าขายสัตว์เป็นไรเน่ยสัตว์เีตัวฆ่าเพอเป็นอาหารค้าขายน้ำเมาค้าขายยาพิษก็ไม่มีในพระสวสดาบัณเลยได้ไปคบเม็ดชั่วเลยเม็ดปฏิรูปคนชั่เ ม, ม็ดคนปลอกลอกคนดีแต่พูดคนหัวกระจบคนชักชวในทางคดบหายพระสวสดา์บันก็ไม่คบแต่กมาให้กระทบกกระเทือนเขา พระสวัสดิ n ไปในสังคมใดๆเขาพื่รักษาเพื่นพระสมท่านเส้นหแต่สมาท่านดูเพื่อรักษาสังคมเพื่อรักษาบริษัทโยตาร์บิษัโยตาคือเขารับประชุมชนแต่ส่วนเพิ่นเพิ่นมาสงสัยว่าเส้น้องเพิ่นขาดไปไหพระสวสดวิว w n อ๋อคัคันได้พระสวสดวิว w a แล้วพระเจากระทาค้าไมอยน้าค้ามอยาเปิดปักตูไปเองพระทหารก็เปิดประตูไปเอง พ่อแม่จันทร์บางต้นของพุทธศาสนาถืออาพระสะดิ์ันเป็นเกณฑ์ตั้มกันน้องมาบะถือเพออราะหลายบางทีบางทีก็ไปสวค์บ้างบางทีก็เป็นที่ไปเทนเทวโลกบ้าบางทีก็ไปเป็นมนุษย์บ้าบางทีก็ไปนรกบ้างบางทีก็ไปเป็นสัตว์ที่ฉานว่าเป็นเป็ดอสุรกายบ้าไปเป็นเป็ดทุกข์กับพวกบ้า กันังพระสวดวันแล้ววะว่ได้ไปตายย่ามไหนก็บว่าจะไปเกียมตัวรือว่าเกียมตัวกับ่าไปทุกกะตะไปทุกกะตีหพอาพันดับเลยเนี่พันปิดประตูแล้วประตูคาซัเพันปิดแล้วประตูลักซับพันปิดแล้วพันปิดประตูใจพันน่ยประตูประพืนพิษในกลางพันปิดแล้วประตูขี่ตัวโกหกพวกลมพันปิดแล้วเนี่ยประตูดืมโุนายไม่ได้พันปิดแล้วพันปิดประตูใจพันน่ะ ใจพึ่งกับว่าฝ่ายอพึ่งก็ได้พระสวดาบันนั่นจะไม่ซีเวตอยู่บอกของสันตายไปแด้ยังค่อยสิได้บ่แม่อยนันเนี่ยพระสักท้ามเนี่ยก็เปิดพัะตัวไปเองพระอานาค้ามเนี่กับเปิดประตัวไปเองพระสารก็เปิดพตัวไปเองเพราะมันไม่น้พ้นทางเสียนเดียวเท่านั้นได้ฝ่าไ่ได้ผิดไซไม่ได้สงสัยไม่ได้สงสัยพ้ท่านไม่ได้สงสัยพ้ศีลไม่ได้สงสัยพ้นพ่ะวนาเนี่ยนี่สั่งแล้วคเจ้าจะย่อมท่านทั้งหลาย ต้งทำตนให้มีสินห้าบริบูรณ์แน่เดี๋ยวจะเสียใจในภายหลังท่านทางหลังจ้องทำตนให้ถึงสุปฏิปันโนซะเดี๋ยวจะเสียใจในภายหลังท่านทางหลาัยจะเบียดเบียนตนท่านทางหลังเบียดเบียนตนก็คือไม่มีสินห้าบริบูรณ์คารวะ ม, มิคือสามเณรเบียดเบียนตนก็คือไม่รักษาศีลสิบไม่ไม่รักษาศีลที่มาในพระปาติโมก หรือพุทธบัญญัติอภิสมายการเสียนเป็นรากแก้วของพระพุทธศาสนาเหตุฉะนั้นประธมรมสังคายนายท่านจึงสังคายนายเสียงก่อนให้พระอุบาลีเป็นผู้วิัชนา เ, เพิ่นเปรียบเหมือนต้นไม่แต่ตนไม่มันก็นไม่หักแล้วมันก็นตั้งยู่บอะไรเพิ่นมาเส้นเปลี่นหากแก่พระพุทธศาสนาจะว่านักภาวน่าผัานจรลงกนั้นนั่นเนี่ยพวกนี้เพินน่นป่จจุบันมูโเดียวกันตัวเนี่ยมาคนละพวกตัวเนี่ยแม่นวะภาวนาย่อลงในปัจจุบันในด่านภาวนาอันนี้ด้านปริยัติ ได้ไหนด่านปฏิบัติย่อลงกว่า น, นี้แค่ไหนชันทะพอใจรักไขในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิริยะเพียนเหมือนประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้กิตตะเอาใจฟักไขในกรรมฐานที่ตั้งไว้ไม่มังสามันติตรองพิจารณาเหตุผลในกรรมฐานที่ตั้งไว้คุณสี่อย่างนี้มีบริบูรณ์แล้วอาจจักนําบุคคลให้ถึงสิ่งที่ต้องประสงค์ซึ่งผมเรียกเป็นสายเรียก ว, ว่าอิทธิบาทความสำเร็จสี่ประการพระคือทําห้กำลังห้าอย่าง หศรัทธาเชื่อในกรรมฐานที่ตั้งไว้สองความเพียรในกรรมฐานที่ตั้งไว้เรียกว่าวิริยะสามสติระดุจชอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้สี่ตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้คือสมาธิห้าปัญญารอบรู้ในกรรมฐานที่ตั้งไว้คือปัญญาตกลงมาเป็นสันทะวิริยะคิดตายมั่งสาก็อันเดียวกันสีนัดศีนลงในปัจจุบันสมาธิตั้งมั่นลงในปัจจุบันปัญญารอบรู้ลงในปัจจุบัน ก็ถ้าว่าพุทโธ ท, ทัโ้โมสังโคก็ยุหันคือเขาว่าเคยเห็นนากันนี่แหละแต่เห็นตาเห็นดังนีงคือก้อนถ้าห่ออักสรหย่อแต่ว่าพุทโธกับั้งโมก็ยุหันสังโคก็ยุหันเพราะเป็นเชือกสามเกลียวกวั้มกันพันเขา่าในคิดในใจของเขาแปดมือเชือกไม่ถ้ามาขันเราก็ต้องย่นลงมาในปัจจุบันเขาพับหนาอันเขาขยายไปเขาออกไปร้ายๆมันก็เป็นโัหานโัวหันก็คือใหย่หอนลงมาก็คือแหย่หันลงมาในปัจจุบันนั่นเอง ผู้พ่อ า, าร่วมหายใจเขาออกก็คือกันร่วหายใจเข่าครั้งหนึ่งก็มีครบแปดมือจรงเพระถ้ามาขันมีทั้งดินหนาไฟล็มีทั้งพุณธมาพูดธมาธรรมมาสองมีทั้งอานิจังทุกครังอนาตาอั น, นิยมด้านพระาวนาเนี่ยอันนออกไปว่าหาไม่ด้านปริยัตินั่นปริยัติกตยัดร่องในใจนี่ปฏิบัติกับปฏิบัติร่องในใจปฏิเวทก็คือผลของการปฏิบัติแต่ยุ่ในใจนั่นนี่ว่าเป็นหนึ่งว่าเป็นเอกานิบาต ท, ที่ว่าเป็นทุกการณิบาตปริยัติแต่ยัดับใจ ว่าเป็นทุกการยีบาตเนี่ยว่าเป็นทีการณีบาตปริยัติกับยัดเขานงเน่ยกายว่าใาใจว่าเป็นจทุกการณีบาตปริยัติกับยัดนงเนี่ยถัดซีหรืออริยสัจซีว่าเป็นปัญจกัปัญจการยีบาตเอาปริยัติกัยัดเขาในรูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นกันเดียวกันท่านละขยายออกขยายเขาด้วยเื้อก่อนเสื้อดอก เบียดืองิที่พระธรรมคาันกับยอดลงมาในพระจ้าวันนักิปพรจ้าวันธรรมขเจ้าจะไปเฮี้ยนเม็ดประเทศผู้นั้นยุหันประเทศูนี้นีเมืองนี้นันเมืองนันสีตายก่อนหอดพระดีประเจ้าันิปนว่าขงันือิที่พระธรรมคาันก็หไม้คว่ำมาประเทศผู้นั้นยุหันประเทศผู้นีู้นีเอามารวมาอยู่ซื้อรอกอ้ที่แท้มันกับเอกนี่บาดรวมาลงมาโมโนผูพังคนาธรมาธมามโนเศธธามโนมยาทำทางรายมีใจเป็นใหญ่สมเด็จเล่าใจ ทุกขณะกี่นึงเห็นโลกรอบนึงหรือด่านปัญญาได้เนี่ยเหือนอันนี้จังคณะกี่นึงเห็นโลกรอบหนึ่งเนี่ย่านปัญญาเกันเนี่ยปัญญายะกปัญสุิชาติบุคคลจะบริสุดก็พระปัญญาเสียนั่งสีนลงในปัจจุบันสมาธิตั้งมาแลวในปัจจุบันปัญญารอบรูปลงในปัจจุบันเงสีนสมาธิปัญญากลบรอบมงินยูบัญญดลชีวิตปัญญาว่าเสียนสมาธิปัญญาเราักกนแย่กันนื่สิดรือหนงเนื้อเอ็นกระดูกยับกัน่ิ่ไมแท่กันยูบันเดียวกันขน จับนังก็ถึงเนี่ยถึงกระดูกขึ้นกันละถึงเอ็นถึงกระดูกขึ้นกันละนั่นฉนั้นขึ้กัน่าพุทโธกรถึงสมโมสังโกหรือเปล่าเมื่อเที่พระธรรมขันธ์หมดแล้วขึ้นกันนหยอดพระใจพิโรกกันไม่ยังกันพระใจพิโรกคือหยอดเย็ดหยอดใจที่ว่าไม่เลียทช่แล้วหรือ่าอุันโมพระสวัสดา์บันฑ์นโมพระทาข้าไม่นนโมพระอาคาข้าไม่หนนโมพระลาหน์นโมพระลาหนเลียนนโมจบแล้วนโมไปว่านอบนอบว่ามาเกิดแก่กิดตายอีกว่ามาหลบว่มาโกรธ่มาหลง เพื่อให้ปัญหาแตกฉานนั่นนโมพระสวดาวันโมหลงทางนโมพระสวดาวันเพราะนั่นขีแตกคือเนเปเ่ทุกบไปใต้หมดปกับไปไทยชีแตกเงี้ยอเอาฮะนสิยไปกูดเฮีอีกเอาแล้วเนาะวันนี้เนาะเอาเพื่อนยำเสิงบหรเออ ททพุทโธโมัมโขในภาณังพุทธะมสงเคือภานินภาณพุทเถธรรมเถสองถทองถบรรวมกันเยบ้อภานินภาณ มหาเทระชั้นที่หนึ่งคือพระสมัยทั้งพระเจ้าชั้นที่สองคือพระประเดกชั้นที่สามคือพระรหันตาชีนาสุขชั้นที่สี่คือพระอนาคามีชั้นที่ห้าคือพระสกทาคามีชั้นที่หกคือพระโสดาบันชั้นที่เจ็ดคือพระมหาเทระที่ทรงอายุพรรษามากแต่เป็นโลกี เพวกเราทั้งหลายทำผิดขมหาเทระทั้งหลายเหล่านี้ด้วยกายยกร์คำสาม 3, วิชีคำสี่ ม, 4, มนุษร์คสาม 3, อันใดอันหนึ่งมาแต่พบก่อนชาติก่อนกดีปัจจุบันนี้ก็ดีจะเป็นไปนในครั้งหน้าก็ดีด้วยเดชขมหาเทระทั้งหลายเหล่า น, นั้นจงทงรงขอโทษให้แก่พวกเราทั้งหลายอยู่ทุกเมื่อทุกๆประเภทผลทุดท่ายพวกเราทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญในมรรคพระศาสนาของพระธรรมารธิขเจ้าอยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณนั่นเถิด จนถึงที่สุดทโดยชอบด้วยและเอกสารหนึ่งพวกเราทั้งหลายเที่ยวท่องเที่ยวมาในวัดตาส<ม>่องสารอันนี้ทั้งที่ยวปูมาในที่นี่ก็ดีก็ไม่มาในที่นี่ก็ดีจะขอทําวัดกันและอันไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีศัตรูทั้งทั้งใจโลกธาตุถ้าทําผิดกันร่างกายรวาจายใจอันใดอันหนึ่งในพวก่อนก็ดีปัจจุบันนี้ก็ดีจะเป็นไปในข้างหน้าก็ดีพวกเราทั้งหลายทัทั้งใจโลกธาตุ จงให้อโหสิกรรมแก่กันและกันอยู่ตรงว่า ม, มีประมาณผลชดใช้พวกเราทั้งหลาย ท, ทั้งนั้นตั้งแต่โลกธาตุน้อเดียรคนเราพุพทธธรรมประสงค์อันทรงพระคุณข่าไป ม, มีประมาณจงประสบแต่ความสุขความเจริญในบวรพระพุทธศาสนาของพระสมัยพระพุทธเจ้ายิ่งย่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบตามความประสงค์ของตนของตนอยู่ตรงว่า ม, มีประมาณนั้นเถิดห่างตรงนงี้ที่เมตตาวาง เอวังหัวตเอวังหัวโโยจา่ปุบบมัิโตภะโะวัชิโวังโลกังะวัเสติภะมโตวันติมาเัพังตังกมังุสะเรนะยะติสุมังโลกังะวัติโตวันติมาอภิวาทนสีลสานิจังุาปายโนจตารธมวันติอายุวันโครังเสียงบมีเวนบามีไผเสียง ทำวัดกาเ น, นสียงบันมีเว่นนีไพ่เสียงปล่อยเวน่นปล่อยไพ่มันเนเสียงขอดเวน้นขอดไพ่คือเสียงทำวัดคือเสียงให้อโหสิกรกันมีพระพุทธศาสนาเสียงเดี๋ยวท่านนี่ทั้งเอื่นะอะบอมีทารกินทับมีทากินปอดมึงชนามึงชนาเลยนี่มีศาสนาท่าน่ะมีพระุทธศาสนาท่นละว่าหห้นี่สุาพกบไปก็ไปให่เดี๋ยวเอาช่วยกันับหานพวกนีดด้พวกพได้มาองกรือนีน่อยู่นําพระพระธรรมประสงค์เอาพระพุทธธรรมประสงค์น่อยหัวใจไป สำมารท่านไว้พระว่าพระธมาสงคหน่อยหัวใจเยอะทงเงาไม่มงประมาณเอาจ at ิตเอาใจเป็น <smoking> ห <saint complete> ิ่งพระพุทธพระธรรมประสงค์ไว้น้ำน้ามาน้มอะไรเพิ่นน้ำผ่านนำยังเงือบฝนมาทำอะไรเบื่องนามาน้่เอโอ้ กระทนเนี่ยหรเออกระทนเนี่ะมื่อไห่ก็กระทนวะทนเอากระทวนนไหนไกได้ล้วบ อ, อ, อ, าา อ, วอโอ้ยมดื้อเอาไปเถอะมอมาทำฟ้นเนรออยโอ้ยหัวใจนี่ให้พัดฉี่ให้พเน่าให้พันดนวดให้พัดเหียบย่าเนี่ ย, ยนี่ไม่หัวใจนสมุดมั่นคุณของพระพุทธธรรมมาสองวันก็ ม, มานี่ แม่ทิ้นแม่ทายแม่ฟมหาสมุทรแม่แดดแม่ร่มแม่ฝนมันมีประมาณพวกมีปัญญาลายกันในกเข็นลายพวกมีปัปญญาไม่กันในกแข็นหน่อยอที่หยนลงมาพระวิสุที่์กุ้นพระปัญญากุพระมหากรุณาคุณกับทางยั่โตเขาานพมีบันไหวพวกมีมันว่าหย่นลงมาหาเอกุ้้นแ ล, นลนะะจะบันแก็จะบันแล้กับจมก็พวมีบันไหวมันว่ามันใหญ่พว กันที่ขยายออกก็ไม่มีกัรที่ขยายขับโรกขับไตโลกธาตุดนลงมากเข า, ามีวันเสียหลายโพดไงโพดอัปมาโพุะโธคุณพระพุทธเจ้าไม่มีประมาณอัปมาณนธรรมโอนมโโมคนณพนระธรรมธรรมก็ไม่มีประมาณอัประมาณนสร้สางโกคุณพระพระริยสงฆ์ก็ไม่มีประมาณประมาณนัมนตานิสติลิสงาลอหิวิธีการที่คุณณัฏฐานาภีสรโภูมิจิกา ประมาณอันอื่นมันมีประมาณประมาณคุณบางคนเขาทำผสมมันไม่มีประมาณเดินเพระภาษเรบดเดินองค์ก็ไปก็มาเนาะมากราบเท่านี้พอเรามาศาสนะเออคุณบางคนเขาประสงคมหาประมาณมันไม่ได้ขอน่อยเออก็จริงละเธอเป็นผู้มีปัญญามากเธอก็ต้องรับรู้ได้มากเหมือนผู้มีเชือกยาวก็ต้องถึงได้ไกลผู้มีเชือกสั้นก็ถึงได้ใกล้ผู้มีกําลังมากก็แบกของได้หนัก เธอเป็นผู้มีปัญญามากเธอก็ต้องเห็นมากสิไม่ว่าแต่เท่านั้นละสาดีบุตเอ๋ยจะเล่นลึกอยู่กี่กับกี่กันก็ไม่หมดครับคุณของพระุทธธรรมประสงค์เป็นอนัตตาคุณเนียเป็นมหันตคุณนีเป็นโลกุตระคุณจะไปห่วมกันพันธะพานคุณคุณพันธะพานคุณพระนิะพานบ่มีประมาณสักเพียงไรคุณพระพระธธรรมประสงค์ก็ไม่ประมาณหนึกันคุณพระพุทธธรรมพระสงค์ก็ปรรวม เป็นเมื่อขืนของคุ้นพระนิพานอันว่าโลภวโกดวหลงว่าเกิดมาแกมาแคมาตายไม่ใมีคุนว่ามีประมาณเมื่อโลโกดหลงว่มีประมาณคุณพระพุทธธรรมประสง์กับว่ามีประมาณคือกันใช่ไหมยางไผู้พนาพ้ท้อทับโมสังกโลกบุญเมื่อพระธรรมะขันธ์คันมันข้นยกับปัญญาของปัจจุบันเนาะปรนเดผู้พระภาวนาอันใดถือว่าเปิดมือนชีพธรรมะขันธ์เดืนน้องว่าสบายนอกภาวนาเดี่ยวเข้าใจงั้นไหมมันจำบ่เศร้าหา ผู้พิจาร่าลงหายใจเขาออกก็เหมือนกั น, กนแปดมึงใช่ไหมถ้ามขันหย่อนลงมาหันแล้วบอกวังสัตวมันจังมาสงสัยว่าสัตมันจะสงสัยทำบางสุดท่ายของพระพุทธศาสนาทำที่ไปสูพระเนพรนททำจิตแท้ว่าจากเราจากเขาจากสัตว์จากบุคคลจิตเป็นแต่สักว่าจิต ผู้รู้เป็นแต่สักว่าผู้รู้ไร่สำคัญตัวว่าอยู่ในผู้รไม่สําคัญตัวว่าอยู่ในจิตไม่สําคัญจิตว่าเป็นตนไม่สําคัญตนว่าเป็นจิตไม่สําคัญตนว่าเป็นผู้รู้ไม่สำคัญว่าผู้รูเป็นตนวิญญาณปฏิสนธิก็มีก็เข้าสู่พระนิพพานถ้าตายข่าอันนั้นตายข่านั้นเขาโซพระนิพพานเอาละค่ะนี่ยเก็บทองมาแล้วเอาละค่ะเนปวดท้องมาแล้วเอาละค่ะเนี่ยไปขอโทษทัโมทั้งโค มหาเทวาทะทนันธมุอหาทวนาทะยทานลาภัมุ นอมใสพระอิยาเจ้าทางร้านมีพระโพธเจ้ามีพระพระเจดมีพระอาหารทางหลายตลอดถึงพระสกขข้ามีตลอดถึงพระอณาข้ามีตลอดถึงพระสกทข้ามีตลอดถึงพระสวสดาวันเมื่อมูทางร้ายจะทำเพียรมหาเทระทางรายเรานันโดยกายกสาบฉีคำชี้โสามดอันหนึ่งก็ดีระมหาเทระทางร้ายเรานักจงส่งอาโทแต่แจ่มมูฮั่จงวางมืประมาขอมูฮั่นจงประสบจาความสุขความเจริญยิ่งยิ่นไปจนถึงที่ชุดชุบดยสอนจงามืประมากเน น่ารังมู่ฮางทั้งหลายถ้าทำพิดกันด้วยกายกรยกการ์สามวิธีคำี ม, มโนคำสามะอะไรนั่นก็ดีนับจ า, ากปความสากลมานียพัชบาลคนเดียไปในทางนายคนเดีมู่ฮาทั้งหลายจงให้อาหสิกรรแก่กันและกันอยู่ทุกเมือประมาคนทุกสายมู่ฮาทั้งหลายจงประสบเความสุขความเจริญนบกว่าเราพัชาณะควสมัยสมุทเจ้าอยู่ทุกเมือทั้งยืนเดินนงนอดรับดื่นผลผทุกในวัฏงารในทุกเมืองมมีประมาณนันกาขาดเธอห้างทุ ก, หทหทกขขแาากหก่งอยูอเ่เม น, น, น, น, นี้นนนสบาง ยาสับปะังกตางกับงกุเรนะางียาดีส่วบงโรกังวัลปะเจี๊ยบงตวันตัวอิวาทชนสินจงหว่าทรันติอายุวโนสุขังพระกลาอระเจผู้ที่ขีไฟใช่ขมันขีอยปับบเดเจนคือขีไฟคือผู้ซื้อน้อยผู้ซื้ลไยก็ถึงเพื่อนม่แดงใส่แต่เพื่อนถึเพื่อจะไม่แตกใช่ไม่ชื่อไม่หักใช่ไม่เสียหนามบ ทั้งหมันจะเริ่มว่าผู้จัดจ่อซ้อนห้าวเนี่ยบวชกระชากมงอโตผ้าขาดเลนเลนเท้าอยู่ก็อย่าหเดียวร้าขารรอย่างชีวิตในทางที่ชอบผ้าขันเลนอบายมุกมุกขามุกขาแปลี่ยววิชิพายสื่งลาส่งฝากท้งแรงเย็นทั้งแรงคืาเรื่องการสนันก็ควรช่วยไปนิดจะขั้นทางานในการถึกในทางที่ชอบ มีเครื่องชิบหายเราเนี่เปิดประตูเดี่ยวมาหาจะเปิดร้านประตูดอกเมื่อเล่นเลดจ้งเป็นนักเลงหญิ ง, งนน ก, กับชิบหายเม่เป็นนักเลงหญิงแจ้งเป็นนักเลงสุลากัิบายเ่เป็นนักเลงสุลาแจ้งเป็นนักเลงเรียนการพานันทุกอย่างกับชิบหายเท่กันมดกัดมืตอตีก๊อปตีแก๊ปมือแม่นมั ด, มดนะ่ะเล่นฟุตบอลพนันกันมันน้ีไยช่วงหน้าชงแพรมันน้งไง พันนั achts, ้นกันมั Laurie, poet, ้งนีมดกัดกุ้ีกัดกันดลองสลายใุ้ยตีกัดกันเม่วาตัวไดสุแพเรสชนะมั้งนี่ได้ใ้หมายท่านั้นแหละเอามื่อวานกัดกันมั้งนี่เม่อวาตัวได้สิชนะใต้ตีกันมั้นีจัดเขาในการพันนั้นมัดเอาไตไปตีกันมั้นี่แรงเสียงกันมั้งนี่ฟูตวนแข่งกันม้นีเอาล้างวัานมั้งนี่ทั้งได้สุขเเรสชนะทังได้สุขนเียว่าการพันธุ์นั้น ค <Yeah. S 1> ิวหายหมดบอกั้ น, Meaning, halfway, นท่านี่ไม่ซับยลาหลายท่านนีลูกหลานไม่ซับหลายหลายหลานแค่างขี่ขั้นท่านกินแค่ซับพอเกาพอเมยอย Foi, ่าท่านขั้นทางานก็เป็นทางคิ้หายเหมือนกันไม่ใคยอ้างว่านรักงานทางานไม่ใคยอ้างว่านอนนักมาทางานม่เคยอ้างว่าเวลาเย็นแล้วแล้ก็ทำงานไม่ใครอ้างว่าหิวนักแล้วก็ทางานไม่ใครอ้างว่าระหายนักแล้วก็ทางานช่วงจะเลื่อนรกทปกซับจงเห็นเหต ชชเชราเหานี่เียอพ่อแม่เขามีเงินปันใหน้นหาตัง้งีลาาาดกระ้าพัดลากระทำเขากินแต่เงินอนาถาเขาก็เห็นงานตอเลยเจยวหายคือกอนมาเวยฮาพัทสรุชิหายแล้วมาบุรณะพัทสุรุชกำค่าตระกูลนั้นมั่งขั่งจักร้านอยู่นานมาได้มีดังต่อไปนี้หนึ่งมาเยฮาพัทจรุชิหายแล้วมาบุารณะพัทรูรุชกำค่า ไม่ไจับประมาณในการบริโภคสมบัติตั้งสัพตีได้ดรู้ทุสินจะเป็นไม่หื่นเพราะห่นผู้หวังจะเริ่มนพวกทรัพ ต, ต้องเห็นเครื่องชิบหายเรานน่ซั้งอะไรนะสิ่งีต่างลานก็ตามเกียรขขาดมึงรู้เอากตูเกียดขขัดไหนใส่มึงรูม้มีสื่อมากินไม่ได้สื่อมากินไม่ได้สื่อมากินชัดขอรอกระท่านจะขอพระท่านตายทางมันไหนมันจะเริ่มพระพุทธเจ้าสอนธรรมวัน์หแล้วถ้าได้เสื่อมเพราะเจ้าสอนธรามันแล้ว พวกเเป็นประสบการณ์มากกว่าเท่าเดียวมู่เขามาให้กำลังคนดอกอังกฤอไปนี้ใครพ่อนกร้านชาปุกร้านไปสะพัฒน์ตกอยากท้าวในวาราเปนเพื่อนฉันกันนเอเมื่อวัตัเยกัเราะภาษากับารตันท่ตัเมื่อวันที่สุเป็นคนเดียวสังคมกับประชาชนดูกระตรรัรับรับคนะ เาจา่ตวายุเพื่อเก็เกี่ยวับอายุผูอภิวาทนิิสัารเวขาปัญอายุละารวัดมดานิดอายุันการพระประการเมื่อะไรปเลตะไคร่แรกเราไปไหนล่ะเราขายตัวจะไปขายเนาะวัไหนเนาเล็กน้อยสัํนเนี่ย้่วต้ตัวดีรวังหามันดีท่านนี่ คันเขาเอาโรคเอทมาใส่เนี่ยช่วยสืไปรอดตัลูกล้านกู อ, อ, กอือช่วยสืไปรอดเขาโรคเอทมาใส่ลูกก็ตายเนไม่ตายก็ตายเนี่ยลูกล้านกูลกูลกล้านน้องกูน้องกูค้อนนาใส่ไว้อยู่เดวนี่ย <c oughs> จังหะสักนี่เดี๋ยวข้ักใส่เนี่ยใส่เนี่ยปน <c oughs> ั่าเนี่คันทวันนักทวันเบาสูร่วงกันแล้วน้อนจออยอะๆใครจะไปกลางสูกกลางหอ กูว่าให้โลกหลานกูกทำนี่ลหละกูกระสองสามสูขึือสั่งพวึงธอรอาเขาได้หลักทรัพโรกน้องไนเอ๋ยโรกหลานเอนือยโรกสีแบบมวงเอ๋ยแล้วโรกเอยดเอิดขนดใส่กี่มะทังเ่า ระว่างไทยอันนี้ใช่เขารอประเทศญี่ปุ่น